วันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมจะเรียกว่าเป็นวันพระก็ได้ เพราะว่าวันพระนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกรำหนดขึ้นมาให้สัตธาญาติโยมชาวพระชาวพุทธได้หยุดทำงานกันหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาวัดเพื่อมาทำกิจกรรมทางศาสนา คือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจถ้าไม่ทรงกำหนดวันพระขึ้นมาญาติโยมก็จะไม่ได้มาวัดกันนั่นเองจะมาแต่ทำงานทำการหาเงินหาทองหาประโยชน์สุขทางร่างกายกันจะไม่มีเวลา จะมาหาประโยชน์สุขทางจิตใจที่มีความสําคัญกว่าประโยชน์สุขทางร่างกายเพราะประโยชน์สุขทางจิตใจเป็นประโยชน์สุขที่จะอยู่ไปได้นานกว่าประโยชน์สุขทางร่างกายประโยชน์สุขทางร่างกายก็มีได้เพียง ที่มีร่างกายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปประโยชน์สุขทางร่างกายก็หมดไปถ้าไม่มีประโยชน์สุขทางจิตใจมารองรับใจของผู้ที่ไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความสุข จะอยู่แบบคนอดอยากขาดแคลนอยู่แบบคนยากจนอยู่แบบทุกข์ยากลำบากแต่พวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดไม่เห็นเรื่องประโยชน์สุขของจิตใจไม่เห็นเรื่องจิตใจไม่รู้ว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับร่างกายไม่ได้รู้ว่า หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจยังอยู่ต่อไปจะอยู่อย่างสุขหรืออยู่อย่างทุกข์ก็ขึ้นอยู่ว่ามีประโยชน์สุขทางจิตใจไว้คอยสนับสนุนจิตใจหรือไม่ถ้าไม่มีประโยชน์สุขทางจิตใจไว้คอยสนับสนุน เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ mm hmm. ก็จะต้องอาศัยประโยชน์สุขทางจิตใจมาให้ความสุขนั่นเอง mm hmm. ถ้าจิตใจได้สร้างประโยชน์สุขไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาร่างกายตายไปจิตใจก็จะมีความสุข มีประโยชน์คอยมาสนับสนุนให้อยู่ต่อไปได้อย่างไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าไม่ได้มีประโยชน์สุขไว้เลยเวลาตายไปก็จะไปแบบขอทานไปแบบผู้ยากไร้อนี่คือทำไมเราจึงต้องมีวันพระกันมีวันพระเพื่อที่เราจะได้มา สร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจอย่ามัวหลงแต่สร้างประโยชน์สุขให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายนี้อายุไม่ยาวนานเหมือนจิตใจจิตใจนี้ไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้มีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายพอ ร, ร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะหาความสุข ให้กับจิตใจได้จิตใจก็จะลำบากจิตใจก็จะเดือดร้อนจิตใจก็จะยากจนจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์นั่นเองดังนั้นสมัยปัจจุบันนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของชาวพุทธเราเสร็จแล้วเพราะว่า วันพระของเรานี้เรานับตามปฏิทินทางจันทรคติคือตามการโคจรของดวงจันทร์ซึ่งวันพระจะเปลี่ยนไปไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันใดวันหนึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นวันพระหน้านี้ก็จะตรงกับวันอังคารแล้ววันพระถัดไปก็จะตรงกับวันพุธ จะเคลื่อนไปเรื่อยๆจากอังคารไปเป็นพุธจากพุทธไปเป็นพระรหัสแล้วก็ไปถึงวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งครั้งถ้าเราถือวันปฏิทินทางจันทลักษณติคือวันขึ้นแรมเป็นวันพระนานๆเราก็จะได้เข้าวัดสักครั้งหนึ่งเข้าวัดตอนที่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดของเรานั่นเองซึ่งนานๆก็ประมาณสักสองสามเดือนก็จะตรงกันสักครั้งหนึ่งวันพระจะตรงกับวันเสาร์จะตรงกับวันอาทิตย์แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนการถือวันพระใหม่มาถือวันพระให้ตรงกับวันหยุดทํางานของเราเช่นสมัยนี้เราหยุดทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลือกวันใดวันหนึ่ง ในสองวันนี้มาเป็นวันพระก็ได้วันที่เราจะหยุดทำกิจกรรมต่างๆทางร่างกายแล้วมาสร้างประโยชน์สุขทางจิตใจกันเพราะต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราจะต้องอาศัยประโยชน์สุขที่เราสร้างในวันพระนี้มาเป็นผู้สนับสนุนให้ความสุขก่บจิตใจของเราต่อไป ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าร่างกายและจิตใจนั้นเป็นคนละส่วนกันเชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจจะอยู่อย่างสุขหรืออย่างทุกข์ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตใจมีประโยชน์สุขไว้คอยรับรองคอยสนับสนุนหรือไม่ถ้าเราเชื่อดังนี้เราก็ต้องหวนเข้าวัดกันในวันหยุดทำงานกันนั่นเองเพื่อที่เราจะได้มาสร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจแล้วเวลาที่ร่างกายไม่สามารถ สร้างประโยชน์สุขให้กับจิตใจได้จิตใจก็จะมีประโยชน์สุขที่ได้สร้างสำรองไว้เก็บไว้ภายในใจมาคอยดูแลจิตใจต่อไปนี่คือทำไมเราจึงมีวันพระกันมีวันเข้าวัดกันเพราะว่าวัดเป็นที่จะให้ความรู้กับเรา เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาจิตใจของพวกเรานั่นเองถ้าเราไม่เข้าวัดเราจะไม่รู้เรื่องของจิตใจว่าจิตใจนี้สุขได้เพราะอะไรทุกข์ได้เพราะอะไรแต่ถ้าเราได้เข้าวัดเราก็จะได้เรียนรู้จากคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนี้หรือว่าอะไรทำให้จิตใจมีความสุขหรือว่าอะไรทำให้จิตใจมีความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราอยากจะมีแต่ความสุขเราก็ต้องศึกษาวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไป ศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขต่างๆให้แก่จิตใจของพวกเรา <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่รู้เราก็จะทำไม่ได้เช่น <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ศึกษาวิธีขับรถ <Yeah. S 1> เราก็จะขับรถไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราศึกษาวิธีขับรถเราก็จะขับรถได้ ขับรถไปไหนมาไหนได้ต้องศึกษาก่อนถึงจะทาได้ไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งต่างๆที่เราทาทาไม่เป็นนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะทําไม่เป็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราศึกษาและเราทาตามที่เราได้ศึกษามาเราก็จะทาได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม สิ่งต่างๆที่เราทำกันได้อยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากการศึกษาก่อนนั่นเองศึกษาวิธีทำอะไรต่างๆพอศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็นำไปกระทำกันพอเราได้กระทำแล้วเราก็จะทำสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ได้มาก่อนเรื่องของจิตใจก็เหมือนกัน เป็นเรื่องที่เราไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้จิตใจไม่มีความทุกข์กันไม่รู้จักวิธีทําจิตใจให้มีความสุขกันพอเรื่องนี้ไม่มีใครสอนกันนั่นเองแม้แต่พ่อแม่ของพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของพวกเราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้สร้างความสุขแบบที่ถาวรให้แก่จิตใจของพวกเราได้พ่อแม่ก็จะสอนเราเกี่ยวกับการใช้ร่างกายเป็นวิธีกำจัดความทุกข์เป็นวิธีสร้างความสุขให้แก่จิตใจของพวกเราแต่มันเป็นวิธีที่ไม่จรังถาวรนั่นเอง เป็นวิธีที่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นหลักถ้าร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ของร่างกายได้เราก็จะไม่สามารถก ำ, กำจัดความทุกข์ให้แก่จิตใจได้ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับจิตใจได้เราจึงต้องไปวัดกันคำวาวัดนี้ก็ต้องดูความหมายของวัด พราอสมัยนี้มีวัดที่แบบไม่เป็นวัดก็มีวัดที่เป็นวัดก็มีการมาวัดในศาสนาพุทธนี้คือสถาบันการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสถาบันปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสถาบันผลิตบัณฑิตที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอน จนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำได้ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นบัณฑิตของพุทธศาสนาคือได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันต นี่คือความหมายของคำว่าวัดวัดเป็นเหมือนสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผลิตบัณฑิตระดับต่างๆมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีบัณฑิตระดับปริญญาโทบัณฑิตระดับปริญญาเอกนั่นเราเรียกว่ามหาวิทยาลายัย ถ้าเราไปเข้ามาหาวิทยาลัยที่ไม่มีการผลิตบัณฑิตต่างๆเราก็ไม่ไปกันถ้ารู้ว่าเข้ามาหาวิทยาลัยนี้แล้วเรียนไม่จบไม่มีปริญญาตรีโทเอกให้มีใครอยากจะไปเรียนไหมไม่มีใครไปเรียนกันเพราะที่ไปเรียนนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นบัณฑิตกัน เพื่อที่เราจะได้รับปริญญาระดับต่างๆกันฉันใดพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับสถาบันการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวเรื่องของจิตศาสตร์สอนเรื่องจิตใจเพียงเรื่องเดียวศาสนาพุทธนี้สอนเกี่ยวกับทางด้านจิจตใจสอนวิธีรักษาจิตใจ ให้ปราศจากความทุกข์ให้มีแต่ความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดผู้ที่จบระดับต่างๆนี้เป็นผู้ที่ได้กำจัดความทุกข์ในระดับต่างๆให้หมดไปเป็นผู้ที่สร้างความสุขในระดับต่างๆให้อยู่กับใจไปอย่างถาวรได้ ยังเรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลพระอริยบุคคลนี้เป็นเหมือนบัณฑิตป ร, ริญญาตรีโตเอกศาสนาพุทธก็มีสระดับระดับโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอาราหันต์แต่ละระดับนี้จะกำจัดความทุกข์ได้มากขึ้นไปตามลําดับจะสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นไปในจิตใจตามลําดับ จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นเต็มร้อยขั้นพระอรหันต์นี้กําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจอย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปมีแต่ความสุขที่เป็นความสุขเต็มร้อยที่เรียกว่าบัลมะสุขที่จะอยู่คู่กับจิตใจไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นี <Yeah. S 2> ่คือความหมายของคําว่าวัด <Yeah. S 2> ไม่ได้หมายว่าวัดนี้เป็นที่มีทาวาลวัตถุเ <Yeah. S 2> ช่นมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูป <Yeah. S 2> แต่ถ้าไปวัดแล้วไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปปฏิบัติ <Yeah. S 2> ไม่ได้บรรลุธรรมจากการปฏิบัติ <Yeah. S 2> ก็ไม่ได้ถือว่าไปวัด mm hmm. เหมือนกับไปมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ไปเข้าห้องเรียนไม่ได้ไปทําการบ้านไม่ได้ทําข้อสอบไม่ได้บรรลุ ป, ปริญญาอันนี้ก็ไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้ต้องเข้าใจถึงคำว่าวัดเพราะสมัยนี้มีวัดที่ไม่ได้ผลิตบัณฑิตกับมีวัดที่ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา บางวัดนี้ไปแล้วก็จะไม่ได้ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็ไปเข้าไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ทางจิตใจดังนั้นการเข้าวัดนี้ต้องเข้าใจความหมายว่าเราเข้าไปเพื่อศึกษาหาความรู้ วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตใจวิธีที่จะสร้างความสุขต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในใจให้อยู่กับใจไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการไปวัดเพื่อไปศึกษาวิธีรักษาใจแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีนั้น จนใจสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้และสร้างความสุขที่ไม่มีวันหมดสิ้นให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดการเข้าวัดคือการไปศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ ซึ่งที่ปฏิบัติที่เหมาะต่อการต่อการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือในวัดนั่นแหละวัดที่เราไปศึกษาถ้าเป็นวัดที่มีการตัิตบัณฑิตน่จะเป็นวัดที่เหมาะต่อการศึกษาเหมาะต่อการปฏิบัติเหมาะต่อการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนียดังนั้น เวลาเราจะไปวัดเราก็ต้องรู้ว่าเราไปเพื่ออะไรเหมือนกับเราเข้ามาหาวิทยาลัยนี้เรารู้ว่าเราเข้าไปเพื่ออะไรเราเข้าไปเพื่อเรียนรู้วิชาความรู้ที่เราต้องการจะรู้นั่นเองบางคนอยากจะรู้วิชารักษาพยาบาลก็ไปเข้าคณะแพทย์คณะพยาบาล ถ้าไปเข้าคณะอื่นก็จะไม่ได้วิชาความรู้ที่ต้องการเองนั่นแหละถ้าต้องการไปรักษาพยาบาลคนแต่ไปเข้าคณะบัญชีจบมาก็ไม่สามารถรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้คนที่อยากจะคิดบัญชีไปเข้าคณะแพทย์ก็คิดบัญชีไม่เป็นนี่เราต้องรู้จุดหมายปลายทางของการเข้าวัด ว่าเราเข้าเพื่ออะไรจุดหมายปลายทางของการเข้าวัดก็เพื่อการดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆอย่างที่เรายังมีกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้เราไม่มีความทุกข์ใจเลยเรายิ้มได้ทุกวันเราหัวเราะได้ทุกวัน เราไม่เคยหลั่งน้ำตาให้กับใครเลยไม่มีหรอกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในระดับไหนก็ตามระดับพยะพร ะ, ะมหากษศัตร์ประธานธาิบดีนายกรัฐมนตรีมหาเศรษฐีหรือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราหรือคนยากคนจนคนขอทานข้างถนน ทุกคนนี้มีความทุกข์เหมือนกันไม่มีใครบอกว่าเราไม่มีความทุกข์เลยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการกำจัดกันก็ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนี้ซึ่งทุกคนทุกระดับนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาหาวิทยาลายนี้ได้เพราะมหาวิยาลัยนี้ไม่เก็บค่าเล่าเรียนให้เรียนฟรี พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีใจเมตตามากสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วก็ไม่เก็บสตางค์ให้เป็นการเป็นธรรมทานแจกฟรีการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงไม่คิดเงนินคิดทองฉะนันทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาได้ ในสมัยพุทธกาลนี้เขามีการแบ่งแยกชนชาติวันณะไว้ในประเทศอินเดียเขาแบ่งไว้สี่เหล่ามีพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วพวกคนยากคนจนคนที่จะไปศึกษาทางศาสนาได้นี้ต้องเป็นพวกพราหม์เท่านั้นพวกอื่นเขาไม่ให้ไปเขาแยกแบ่งแยกชนชาติชั้นวันลนะกันว่ พวกกษัตริย์ก็ให้เป็นกษัตริย์ไปเป็นศึกษาเป็นผู้ปกครองพวกพ่อค้าแม่ค้าก็ไปศึกษาวิชาทำมาหากินพวกคนยากคนจนก็ไปอยู่แบบขอทานกันเขาจะไม่ให้เข้าไปเรียนวิชาทางศาสนาแต่พอพระพุทธเจ้ามาเปิดมาหาวิทยาลัยนี่พระพุทธเจ้ารับหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ใน ชนชาติชั้นใดวรณะใดกษัตริย์ก็มาบวชเป็นพระมาศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าพวกพราหมณ์ก็มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพวกพ่อค้าแม่คะพวกขอทานก็มาศึกษามาเรียนจากพระพุทธเจ้ากันเพราะว่าจิตใจของคนทุกชาติชั้นวรณะนี้เหมือนกันนั่นเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์เหมือนกัน และสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันและไม่เลือกเพศเลือกวัยด้วยนอกจากไม่เลือกชนชาติชาติชนวันนะแล้วไม่เลือกเพศเลือกวัยด้วยสมัครรับสมัครทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนหนุ่มคนสาวหรือเป็นคนแก่คนชรารับหมดศาสนาพุทธเพราะว่าจิตใจของทุกๆคนนี้เหมือนกันหมดมีปัญหาเหมือนกันหมดเวละวิธีแก้ปัญหาก็เหมือนกันหมดจึงไม่มีความจำเป็นที่จะแยกแยะเลือกชาติชั้นวันนะเพศหรือวัย ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาได้และสามารถบรรลุเป็นบัณฑิตของพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระไเลย์อริยบุคคลทั้งสี่ขันได้ทุกๆคนถ้าตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็จะสามารถที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จะกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าต่อไปนี้นับแต่บัด น, นี้ไปตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยนี้แล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ใจจะไม่มีวันทุกข์กับมันอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดี เ, เหมือนกันหมดคนอื่นตายเราตายนี้เท่ากัน เ, เป็นร่างกายเหมือนกันความทุกข์ที่ทุกข์กับร่างกายได้ถูกกำจัดจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจดวงนี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป และใจดวงนี้จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปด้วยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของผู้ที่ได้จบปริญญาเอกของศาสนาพุทธคกอได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือการเข้าวัดของพระพุทธศาสนาวัดของพระพุทธศาสนา ยึงต้องเป็นวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆอย่าไปดูวัดที่ว่ามีโบสถ์หรือเปล่ามีเจดีหรือเปล่ามีศาลาหรือเปล่ามีกุฏิหรือเปล่าเพราะว่าวัดทางพระพุทธศาสนาจริงๆนี้กลับไม่มีสิ่งเหล่านี้ดูวัดของพระพุทธเจ้าวัดที่พระพุทธเจ้าไปเรียน พระพุทธเจ้าก็ไปโรงเรียนเหมือนกันไปเรียนวิชานี้เหมือนกันวัดที่พระพุทธเจ้าเรียนนี้ไม่มีกุตินะไม่มีโบสถ์นะไม่มีเจดีย์นะมีแตอ่อยู่ตามโคนไม้กันที่อยู่อาศัยแล้วก็แต่เป็นที่สงบสงดัดที่ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน ไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆมีจิตกรรมอันเดียวคือการปฏิบัติจิตใจให้สงบให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่แหละคือวัดของพระพุทธศาสนาถ้าเราอยากจะสร้างวัดเนี่ยไปดูแบบฉบับวัดของพระพุทธเจ้าวัดของพระพุทธเจ้าก็คือวัดป่านี่ อ, อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้ สมัยพระุทธเจ้านี้พระพุทธไม่มีกุติอาศัยอยู่กันเธอตอนที่พระพุทธเจ้าศึกษาตอนที่พระพุทธเจ้าปฏิบัตินี้ไม่มีกุติไม่มีใครศรัทธาที่จะมาสร้างกุติให้อยู่อาศัยเพราะไม่มีใครรู้จากพระพุทธเจ้าในตอนนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้จบยังไม่ได้เป็นบัณฑิตของศาสนาพุทธ ยังเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าล่ําเรียนอยู่ก็ยังปฏิบัติอยู่แต่พอหลังจากที่ได้ทรงบรรลุเป็นบรรดิตได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพอประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นมาเท่านั้นมีนักศึกษาแห่กันมาเรียนกันมากมายพอมาเรียนแล้วก็จบกันอย่างรวดเร็วข่าวเลยแพร่สะพัดไปว่ามาหาวิทยาลัยนี้ เรียนจบกันอย่างง่ายฟังเทศครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้จึงมีพวกที่อยากจะบรรลุนี้มาศึกษาแหากันมาศึกษากับพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ผิดหวงังพวกที่พร้อมที่จะบรรลุนี้พอมาศึกษาธรรมก็สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังธรรมเลย เพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนานี้ก็มีผู้ที่ได้จบเป็นบัณฑิตระดับปริญญาเอกนี้ถึงหนึ่งพันรูปพระอาหารหันต์1250รบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆหลังจากที่ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้แยกทางกันไป เอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปสงสั่งให้แยกกันไปคนละทิศคนละทางไม่ให้ไปที่เดียวกันหลายๆก็องให้แยกกันไปเพื่อที่จะได้กระยะกระชายความรู้นี้ให้ไปกว้างไกลนั่นเองพอหลังจากที่ไปเผยแผ่ได้ซักระยะหนึ่งระยะเจ็เดือนก็คิดถึงพระพุทธเจ้ากัน ก็เลยกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นันหมายกันมาก่อนเราจรึงรู้ในว่าว่าในวันนั้นมีพระอาหารหันต์ในพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปด้วยกันที่ไม่ได้มาอีกไม่รู้อีกจะมีจํากี่เท่าจํานวนเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเพียงในระยะเวลาเจดเดือนเท่านั้นเอง สามารถผลิตบันเด็ดได้ถึงหนึ่งสองรห้าสิรูปด้วยกันเมื่อข่าวนี้แพร่สพัดไปก็ทำให้คนเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนากันขึ้นมาเป็นจำนวนมากใครมีกำลังสามารถที่จะทำอะไรให้กับศาสนาได้ก็เริ่มทำกันเห็นพวกพระพวกนี้ไม่มีวัดอยู่กันไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือน คนทำทั่วๆไปก็เกิดศรัทธาอยากจะให้มีที่อยู่อาศัยก็เลยสร้างกุฏิสร้างวัดกันขึ้นมาไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีกุฏิไม่มีที่อยู่อาศัยก็สงสารแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยยินดีกับเรื่องที่อยู่อาศัยเลยเพราะที่อยู่อาศัยที่สําคัญของพระพุทธเจ้านี้คือที่อยู่อาศัยของจิตใจ ที่อยู่ของอาศัยของจิตใจที่เหมาะสมก็คือที่สงบสงัดที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญของบ้านเมืองนี้เองเพราะความเจริญของบ้านเมืองนี้กลับเป็นอุปสรรคต่อการกําจัดความทุกข์ต่างๆของจิตใจต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากความเจริญของบ้านของเมืองไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวก เป็นที่เหมาะสมต่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆของใจพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวแต่สร้างพรองาอาหัรไม่รู้กี่หมื่นกี่พันรูปก่อนที่จะทรงจะเด็ดดับขันธปานนิ้ผานไปอลองตั้งโจทย์ดูเพียงเจ็ดเดือนแรกนี้มีผ้ารันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปปีหนึ่งนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องสองพันกว่า รูปขึ้นไปแล้ว45ปีคูณกันแล้ว45ปีมาคูณ 2,000 ก็จะได้ต้องเท่าไหร่ 90,000 90,000 แล้ว 90, 900,000 90, 90,000 2,000 คูณได้10ก็ได้ 20,000 คูณได้40ก็ 80,000 45ก็ 90,000 พระพุทธเจ้าสร้างแต่พระอาหารหันต สร้างแต่บัณฑิตเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวแต่สมัยนี้มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปบ้าสร้างวัดกันพอมาบวชกันก็จะคิดแต่สร้างวัดกันแต่ไม่มีใครคิดสร้างบัณฑิตกันเลยแม้ตัว แ, ตแม้แต่ตัวที่สร้างวัดก็ไม่ได้สร้างตนเองให้เป็นบัณฑิตนพอมาบวชแล้วก็ไปหลงกับการสร้างถาวรและวัตถุกัน เพราะไปคิดว่านั่นคือพรพุทธศาสนาคิดว่าวัดนี่แหละคือพระพุทธศาสนาวัดที่ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิมีศาลาอะไรต่างๆอี่ย จ, จุรจีไปดูสิติดป้ายกันว่อนไปหมดขอเชิญชวนมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันไม่เคยมีติดป้ายขอเชิญชวนมาปฏิบัติเพื่อมาบรรลุเป็น พระอริยะกันเลยนี่หละคือศาสนาพุทธของเราทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนกับสมัยของพระพุทธเจ้าแล้วสมัยของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการเชิญชวนให้มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิต่างๆมีแต่การเชิญชวนให้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนเชิญชวนให้มาปฏิบัติ การชวนให้มาบวชกันมาบวชเพื่อได้เป็นนักศึกษาของศาสนาพุทธเพราะผู้ที่บวชนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะได้รับปริญญากันเป็นส่วนใหญ่พวกที่ไม่บวชนี้มีบ้างที่ได้รับแต่เป็นจํานวนน้อยมากเป็นพวกที่เรียนที่บ้านเองได้ไม่ต้องไปเรียนที่วัดกันแต่มีจำนวนจานวนน้อยมากที่บรร ล, ลุ ที่จบปริญญาของพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ 99% นี้ต้องไปศึกษาที่วัดไปปฏิบัติที่วัดแล้วก็ไปเรียนจบที่วัดกันบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันต้องเป็นนักบวชอันนี้คือเรื่องของศาสนาพุทธของพวกเราที่พวกเราอาจจะ ไม่เข้าใจกันอาจจะไปหลงติดอยู่กับถาวรวัตถุต่างๆไปติดอยู่กับการดูแลรักษาถาวรวัตถุสร้างพระพุทธรูป ก, กันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างอะไรกันแต่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เพราะถ้ามีถาวบและวัตถุแล้วมันก็ต้องมีคนมาพุกพลาดกันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเดี๋ยวนี้วัดนี้ไม่ได้เป็นที่ศึกษาแล้วนะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วต่างชาตินี่ถามมาประเทศไทยมาทาไมมาเที่ยวมาดูวัดเพราะว่าไม่เคยเห็นสถาปัตยกรรมของของไทยที่สวยงดงามเพราะคนไทยเรานี่อุทิศ ความรู้ความสามารถในการสร้างวัดนี้ให้กับการสร้างวัดความรู้ความสามารถในสถาปัตยกรรมนี้มาอุทิศให้กับการสร้างวัดวัดจึงเป็นวัดที่วิจิตพิสดารใครไม่เคยเห็นพอเห็นแล้วจะตื่นตาตื่นใจตลางชาติถึงแม้ว่าจะมีความเจริญกว่าของประเทศเราก็ตาม สามารถส่งคนขึ้นไปโคจรในอวกาศได้แต่เขาก็ไม่มีวัดให้เขาได้ดูได้ตื่นตาตื่นใจพอเขามาเมืองไทยเขาก็เลยอยากจะมาเที่ยววัดกันวัดพระแก้วนี้เป็นวัดอันดับหนึ่งของผู้ที่อยากจะได้ดูความสวยงามของวัดวัดก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเมื่อมีวัดพระแก้วเป็นตัวอย่าง ผู้ที่อยากจะสร้างวัดก็เลยมาแข่งกันสร้างวัดเพื่อให้เหมือนกับวัดพระแก้วเดีย๋ยวนี้มีวัดสวยๆงามๆสร้างอยู่บนตามเขาตามภูกันสร้างกันใหญ่โตสวยงามวิจิตรพิสดารกันแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้ที่อยากจะมาชมมาดูกันแต่ไม่มีการผลิตบัณฑิตเลยแม้แต่คนเดียว ผู้ที่ไปเที่ยวตามวัดต่างๆไปดูวัดต่างๆได้แต่ความเพลิดเพลินบันเทิงบันเทิงใจชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากกลับบ้านไปแล้วมันก็หายไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรติดไว้กับจิตใจไม่มีอะไรที่จะมาคอยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความสุขสร้างความอิ่มใจให้อยู่กับใจไปได้ตลอดมีแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้ไปถึงวัดนั่นเองไม่ได้ไปถึงวัดของศาสนาพุทธไปวัดที่เป็นอยู่นี้ไม่ทราบว่าเป็นของใครซะแล้วถ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ของเรา เราไม่เคยสร้างวัดอย่างนี้เราไม่เคยมีวัดอย่างนี้วัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปดูที่เราไปอินเดียกันเนี่ยคือเพื่อให้ไปดูวัดของพระพุทธเจ้าเอวัดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นไหมสถานที่ตัดสรู้เป็นอย่างไรมีวัดมีโบสถ์มีเจดีย์ไหมไม่มีสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีอะไรั แต่สมัยนี้เขาก็ดันมาสร้างเจดีย์ทับไว้กับที่นั้นที่ทรงสสแสดงธรรมครั้งแรกหรือทรงที่ตัดสรุก็มีการสร้างเจดีย์ประทับครอบสถานที่นั้นไว้แต่ความดั้งเดิมของสถานที่นั้นไม่มีถาวรวัตถุต่างๆเป็นธรรมชาติเป็นป่าเป็นที่สงบสงัดเหมือนกับที่เรากำลังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่ตอนนี้ เป็นที่สงบสงัดวิเวกสถานที่อย่างเงี้ยนั่งสมาธิแล้วใจจะสงบง่ายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความไม่สงบของใจก็จหายไปหมดพอใจสงบปั๊บความทุกข์ต่างๆก็หายไปทันทีถ้าไปนั่งอยู่ตามสถานที่ที่มีเสียงพุกพลานมีคนพุกพ้านนั่งยังไงมันก็ไม่สงบ ก็มีอะไรคอยมาลบกวนใจอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเสียงคนนั้นเดี๋ยวกลิ่นนั้นกลิน่นนี้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้เดินผ่านไปผ่านมานั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะสงบที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้นี <Yeah. S 1> ่พูดถึงคุณสมบัติของวันพูดมา ขอให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าคาว่าวัดที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวัดคือที่สถานที่สงบสงัดที่เอื้อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุธรรมนอกจากเป็นสถานที่สงบสงัดแล้วก็ต้องมีผู้ที่มาสั่งมาสอนถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่มีอาจารย์คอยสอนก็ไปก็เสียเวลาเปล่า ก็อยู่ที่บ้านเรียนที่บ้านก็ได้สมัยนี้เขาสามารถส่งครูอาจารย์ไปถึงบ้านได้เรียนผ่านทาง อ, ออนไลน์ได้สามารถดูคำสั่งคำสอนในจอทีวีได้ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้อุปกรณ์สำคัญรือปัจจัยสำคัญในการที่จะศึกษาเล่าเรียน ที่จะปฏิบัติทำให้บรรลุผลก็ต้องมีคนคอยสอนคอยสั่งนั่นเองคนที่เก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระสงฆ์สาวกต่างๆพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือต้องเป็นผู้ที่ได้เรียนจบแล้วพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้เรียนจบกับพระสงฆ์ที่เรียนจบ เหมือนกับบัณฑิตที่เรียนจบกับบัณฑิตที่ยังเรียนไม่จบนักศึกษาที่เรียนจบกับนักศึกษาที่เรียนไม่จบเวลาที่เขาจ้างครูอาจารย์มาสอนนี่เขามักจะเอานักศึกษาที่เรียนจบปริญญาแล้วมาเป็นครูเป็นอาจารย์เขาจะไม่ไปจ้างเด็กปีหนึ่งปีสองมาเป็นอาจารย์สอนเด็กปีหนึ่งปีสองด้วยกันเพราะว่าความรู้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็มีผู้ที่มาบวชนี่เป็นสองพวกด้วยกันพวกที่ยังลริ่มเรียนอยู่พวกที่ยังไม่จบกับพวกที่เรียนจบแล้วพวกที่ได้รับปริญญาแล้วพวกที่ได้รับปริญญาแล้วนี่แหละเป็นผู้ที่จะสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นได้แต่ผู้ที่ยังเรียนไม่จบผู้ที่ยังศึกษายังปฏิบัติอยู่นี้ ยังไม่ควรไปสอนผู้อื่นและผู้อื่นก็ไม่ควรไปศึกษากับผู้ที่ยังเรียนไม่จบเน <Yeah. S 1> เพราะจะไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรนั่นเองจะไม่สามารถเรียนจบได้สำเร็จได้เพราะเมื่อครูสอนยังเรียนไม่จบยังไม่สำเร็จเราจะไปสอนให้นักเรียนเรียนให้จบเรียนให้สำเร็จได้อย่างไรฉ <Yeah. S 1> นั้นครูที่เราจะต้องเรียนด้วยต้องเป็นครูที่ได้ได้จบ แล้วไม่ว่าจะอยู่ในระดับปริญญาไหนถ้าจบขั้นโสดาบันก็สอนได้ในระดับขั้นโสดาบันถ้าจบในระดับสกิทาคามีก็สอนได้ในระดับสกิทาคามีถ้าจบในระดับอนาคามีก็สอนได้เพียงแต่ระดับอนาคามีจะไปสอนระดับพระาอารหันต์ไม่ได้ถ้าอยากจะเรียนให้จบระดับพระาอารหรันต์ก็ต้องไปเรียนกับ พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนนี้ก็ไม่มีแล้วท่านจากเราไปนานแล้วสองพันห้าร้อกว่าปีแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้ฝากตัวแทนของท่านไว้สองสององค์ด้วยกันคือพระธรรมคําสอนและพระอริยสงสาวกนี่คือครูอาจารย์ของพวกเรา ถ้าเราไม่สามารถหาพระอริยสงฆ์สาวกเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ไปศึกษาความสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกซึ่งในสมัยนี้เราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปศึกษาทั้งทั้งหมดในพระไตรปิฎก พอมีผู้ที่คัดเลือกคำสั่งคำสอนออกมาจากพ่ตไตปิฎกเพื่อง่ายต่อการศึกษาเล่าเรียนก็ถือว่ายังเป็นคำสอนจากพ่ตไตปิฎกอยู่ที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกนี้เป็นต้นก็เป็นหลักสูตรคำสอนที่คัดมาจากพ่ตไตปิฎกสอนเกี่ยวกับเรื่องคาสั่งคาสอนของพ่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับประวัติของพพระพุทธเจ้า อันนี้เราก็ถ้าไม่สามารถหาครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่มาสั่งสอนได้เราก็ต้องอาศัยการศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้เป็นอาจารย์แทนแต่ยามปฏิบัติโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์เพราะจะปฏิบัติไม่ถูกและอาจจะหลงทางได้แต่การศึกษาจากพระไตรปิฎกจากหนังสือนี้ มันก็ไม่ดีเท่ากับการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเพราะว่าผู้ที่บรรลุแล้วนี้สามารถเอาความรู้ที่จาเป็นที่จะสอนเรามาสอนเราโดยตรงแต่ถ้าเราไปศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้จะมีความรู้หลายระดับด้วยกันน่ามากมายอาจจะไม่รู้ว่า ความรู้อันไหนเป็นความรู้ที่ต้องเรียนก่อนเรียนหลังอันไหนสําคัญกว่าอันไหนไม่สําคัญกว่าจะอาจจะยากถ้าไม่สามารถเรียงลําดับได้ด้วยตนเอง <c oughs> ก็อาจจะปฏิบัติผิดขั้นตอนก็ได้ <c oughs> ถ้าไปีการปฏิบัติผิดขั้นตอนแม้จะถูกแต่มันก็จะไม่เกิดผลเ <c oughs> <c oughs> พราะการปฏิบัตินี้ก็มีขั้นมีตอนเหมือนกัน ถ้าทำผิดขั้นปิดตอนผลมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าได้ศึกษาจากผู้ได้เรียนรู้ได้จบการศึกษาแล้วท่านจะรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติ ต, าตา่างๆว่าควรจะปฏิบัติขั้นไหนบ้างอย่างไรผู้ที่มาศึกษามีความสามารถจะปฏิบัติขั้นไหนได้บางทีก็สามารถให้ข้ามชั้นได้เลยถ้ารู้ว่าสามารถผ่าน ชั้นนี้มาแล้วก็ไม่ต้องเรียนซ้าอีกให้ก้าวขึ้นสู่อีกชั้นหนึ่งได้เลยการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้จะง่ายกว่าการศึกษาจากพระไตรปิฎกเองแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมมาสั่งสอนก็ต้องเหลืออยู่หแหล่งเดียวเท่านั้นก็คือพระไตรปิฎกคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกและได้รับการคัดเลือกออกมาสั่งสอนเป็นหลักสูตรเช่นนักธรรมตีโทเองเป็นต้นแต่ก็จะต้องใช้ความพยายามมากเพราะเหมือนกับเรียนเองเรียนหนังสือเองมีหนังสือให้อ่านกับเรียนกับครูอาจารย์ที่มีอาจารย์คอยอธิบายนี่มันจะต่างกันเพราะบางทีอ่านเองเรียนเองอาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้ามีครูอาจารย์คอยสอนคอยอธิบายก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสของผู้ที่จะมาศึกษาว่าจะได้พบครูบาอาจารย์หรือไม่จะคบครูบาอาจารย์แบบไหนบางท่านก็ได้พบผ่านทางพระไตรปิฎกกันพวกที่เป็นนักศึกษาทางโลกพวกที่ชอบอ่านตำรา ก็มักจะพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางพระไตรปิฎกะพวกที่เป็นพวกที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่เป็นผู้ศึกษาล่ำเรียนไม่ชอบอ่านตำราก็ต้องไปเจอกับพระที่พูดที่สั่งที่สอนเพราะถ้าให้อ่านตำราเองก็อ่านก็ไม่เข้าใจก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์กันเอะ นี่ก็เป็นวิธีเข้าหาพระธรรมคาสอนของแต่ละ ข, ของแต่ละบุคคลบางคนก็ไม่เข้าหากูบาอาจารย์ก็มีบางคนก็ไม่เข้าหาพระไตรปิฎกเพราะเข้าไปแล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยต้องไปเข้าหาพระอริยสงฆ์กันไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังคําสั่งคําสอนของพระสุปฏิปนโนกันพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระที่เราเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้เป็นบัณฑิตของพระพุทธศาสนาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามถ้าไม่มีแล้วมันจะทําให้เราสับสนจะทําให้เราไม่เข้าใจจะทําให้เราปฏิบัติไม่ถูกได้และอาจจะทําให้เราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย จนไม่อยากจะศึกษาไม่อยากปฏิบัติต่อไปก็ได้ น, น, นี่คือครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะได้สอนให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปสร้างความสุขต่างๆที่ยังไม่มีอยู่ในใจให้มันอยู่กับใจของเราไปแบบถาวร ไม่ให้มันเป็นแบบความสุขแบบควันไฟอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ความสุขทุกวันที่พวกเรามีกันอยู่นี้เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขกันพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปอาทิตย์ต่อมาความสุขนั้นก็เลือนรางจากใจไปไม่มีหลงเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดเดียว ถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนั้นอีกก็ต้องกลับไปเที่ยวอีกต้องกลับไปอยู่เรื่อยๆถึงจะได้ความสุขแต่ไม่ว่าจะกลับไปกี่ครั้งก็ตามก็จะเป็นความสุขเหมือนกันความสุขที่ได้มาแล้วก็จางหายไปนี่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงมันต้องเป็นความสุขที่อยู่คู่กับใจไปตลอด ได้มาแล้วก็ไม่จางหายไปแบบควันไฟอยู่กับใจไปตลอดถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะเป็นความสุขที่แท้จริงนี้จะเกิดขึ้นจากการได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้นี่คือการที่เรามาวัดกันเรามาวัดนี้ก็เพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ วิธีกำจัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขให้อยู่กับใจของเราไปอย่างถาวรถ้าเรามีความสุขที่อยู่กับใจเราอย่างถาวรละความจัดกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วเราจะอยู่อย่างสบายจะไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจเราเศร้าทำให้จิตใจเราทุกข์ได้ต่อไป ราไม่มีอะไรมาลบล้างความสุขที่เราได้สร้างไว้อย่างถาวรนี้ให้หดหายไปจะสุขไปตลอดท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเหตุการณ์ไม่ว่าจะ เ, าเป็นการเจริญหรือเป็นการเสื่อมเช่นของลาบยศสรรเสริญก็จะไม่มาสร้างความกระทบกระเทือนใจแต่อย่างใดการ มีเหตุการณ์ต่างๆที่ไปกระทบกับบุคคลต่างๆทำให้บุคคลต่างๆนั้นล้มหายตายจากไปก็ไม่มาทำให้จิตใจเกิดความทุกข์แต่อย่างใดไม่ได้มาลบล้างความสุขที่ได้สร้างเอาไว้ภายในจิตใจแต่อย่างใดจะอยู่กับใจไปตลอดนี่แหละคือประโยชน์สุขที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเข้ามาหากัน เข้ามาวัดนี้เพื่อมาหาความสุขอันนี้หาประโยชน์สุขอันนี้คือหาความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสรุปไว้ด้วยกันสามข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ละการกระทาบาปทั้งปวง นี่คือการกําจัดความทุกข์ในระดับต้นเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําความกระทําบาปต่างๆถ้าเราไม่ทําบาปแล้วความทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่มีความทุกข์กับการฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์จะไม่มีความทุกข์กับการลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เด่มสุรายาเมาไม่เสพอบายมุขต่างๆ ความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าเราไปกระทาสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีความทุกข์ตามมาทันทีไปฆ่าสัตว์แล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีไปรักทรัพย์ก็จะเกิดความทุกข์ใจไปประพฤติผิดประเวณีก็จะเกิดความทุกข์ใจไปพูดโกรก็จะเกิดความทุกข์ใจไปดื่มสุรายาเมาแล้วไปทาให้เกิดความเสียหายหต่อ บ, บุคคล นั้นบุคคลนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่กระทำบาปเหล่านี้แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดสําหรับความทุกข์ใจใ น, ในระดับนี้ความทุกข์ใจนี้มีสองระดับระดับที่เกี่ยวข้องกับกายกับวาจาคือการทําบาปทางกายทางวาจาแต่ยังมีความทุกข์ใจอีกระดับหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดภายในใจ ที่เราก็ต้องกาจัดเช่นเดียวกันออความทุกข์ที่เกิดจากภายในใจนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหานี่เองกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจต่างๆให้กับพวกเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์แล้วเกิดความโลภขึ้นมาก็ทุกข์แล้วเกิดความโกรธขึ้นมาก็ทุกข์แล้ว ไม่ได้ไปทำบาปเลยไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ประพูดผิดประเวณีก็ยังทุกข์ได้คนที่รักษาศีลได้คนที่ไม่ไปเสพอบายามุกนี้ก็ยังทุกข์กับความโลภความโกรธความหลงอยู่โทษทุกข์กับความอยากอยู่ถ้าไม่อยากให้มีความทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องชำระความโลภความโกรธความหลงชาระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเอง อันนี้เป็นความทุกข์ในอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับที่ละเอียดกว่าความทุกข์ในระดับของการกระทําบาปและการเสพอบายามุก ค, ความความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปเสพอบายามุกนี้เป็นความทุกข์ระดับหยาบนะขั้นอยากเห็นได้ชัดพอไปทําผิดศีลนี่รู้เลยไม่สบายใจนะพอไปเสพสุรายาเมาแล้วไปทําอะไรให้ผู้อื่นเสียหายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา อันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของกายและวาจาแต่ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาของใจโดยตรงก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่พอเกิดความโลภนี้ใจก็สั่นละอยู่ไม่เป็นสุขละตอนนี้อยากจะเป็นส อ, สอกันนี่เข้าวัดไม่ได้แล้ววันนี้ต้องไปหาเสียงกันนะ ถ้ามามานั่งเฉยๆพุทธฟังเทศฟังธรรมนี้ฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะใจมันจะคิดว่าเดี๋ยวต้องไปหาเสียงต้องไปหาเสียงต้องไปให้คนเขารู้จักเราว่าเรากำลังจะมาลงสมัครเลือกตั้งถ้ามานั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีคนรู้จักนะอยู่ไม่เป็นสุข น, ะนี่คือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความโลภแล้วถ้าเกิดใครมาทำลายป้ายหาเสียงของเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เออเดี๋ยวก็อาฆาตยาบาท์เอามันทำลายป้ายเราเราก็ต้องไปทำลายป้ายมันเอพอเราไปทำลายป้ายมันมันก็ยิ่งมาทำลายป้ายเราใหญ่เดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาสตีกันฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกเนี่ยความโลภความความโลภมันจะพาไปสู่ความโกรธความโกรธมันจะพาไปสู่การกระทำบาปต่อไปอีกออต้องไปมีเรื่องมีราวกันไปท ำ, ทำลายกันทำลายกันเ อ, อ ไปขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วถ้าถูกจัดสินผิดก็ต้องไปติดคุกติดตารางอีกนี่คือความโลภที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากความโลภเกิดจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจถ้าเราไม่อยากจะให้มีความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องกาจัดมันวิธีกาจัดมันก็คือต้องภาวนาต้องเอามันเข้าเครื่องซักฟอกใจนี้เหมือนเสื้อผ้า กิเลสตัณหามันเป็นเหมือนคราบสบกรปรกถ้าอยากจะให้เสื้อผ้าสะอาดเราก็ต้องเอาเข้าเครื่องซักสมัยนี้เราไม่ต้องซักมือแล้วมีเครื่องซักพอกเอาเสื้อผ้ายัดใส่ก็ไปในตู้ใส่ผงซักพอกก็ไปปเปิดสวิตซ์ปับ๊บเครื่องมันก็ทํางานเออใจของเราก็ต้องเข้าเครื่องภาวนาเออพอถ้าเราต้องการทําใจให้สะอาดโดยสุดสิ่งที่จะมากําจัด สิ่งต่างๆคือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ก็คือการภาวนาภาวนาก็มีสองระดับสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาก็เหมือนกับเครื่องมีสองระดับเครื่องซักเสร็จแล้วก็ต้องปั่นให้มันแห้งอันนี้ก็เหมือนกันขั้นแรกก็ทําให้มันสงบให้กิเลสมันนอนตัวขั้นที่สองก็ใช้ปัญญามากําจัดมันทํามาทําลายมันวิปัสนาเป็นตัวทําลายกิเลสตัณหา สมถะภาวนาเป็นตัวจับให้กิเลสอยู่เฉยๆเพื่อที่จะได้ทําลายมันได้ถ้ามันไม่อยู่เฉยๆต้องคอยไล่าตามมันนี้จะไล่มันไม่ทันเลยต้องมาหยุดมาหยุดกิเลสก่อนด้วยการทำใจให้สงบพอสงบแล้วก็เอาปัญญาวิปัสสนามาสอนมากําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ แล้วทีนี้ความทุกข์ต่างๆไม่มีหลงเหลืออีกต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามจะไม่มีความทุกข์โผล่ขึ้นมาในใจอีกต่อไปนี่คือวิธีกาจัดความทุกข์อย่างท้าวอนต้องกาจัดด้วยการด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆหมดไปแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ความทุกข์ก็คือความสุขนี่ความสุขที่ที่จะอยู่กับใจไปตลอดเป็นความสุขที่จะเกิดหลังจากที่ใจได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปแล้วความสุขแบบนี้ก็เหมือนกับแสงสว่างที่ตามความมืดมานี่เองเวลาที่มีความมืดนี้เราจะไม่มีแสงสว่างเวลาเราเข้าไปในห้องมืดนี้มันจะมืด แต่พอเราเปิดไฟปุ๊บความมืดก็หายไปแสงสว่างความสว่างก็โผล่ขึ้นมาฉันใดความสุขที่ถาวรที่อยู่คู่กับใจนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเรากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองพอความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจแล้วความสุขที่ถาวรก็จะปรากฏขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขแบบนี้ ความสุขแบบนี้ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องสร้างเพียงแต่ความจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงด้วยการชำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการภาวนาสามถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่แหละคือประโยชน์สุขของใจที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาสร้างกัน ที่ให้มาวันนี้ก็เพื่อมาสร้างประโยชน์สุขอันนี้นั่นเองด้วยการศึกษาวิธีแล้วเมื่อรู้จักวิธีแล้วก็นําออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับที่เราเชื่อสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าถ้าเราไปศึกษาที่มหาวิเชียรายนี้แล้วเราก็จะบรรลุเป็นบัณฑิตได้ฉันใดก็ขอให้เราเชื่อว่าถ้าเราศึกษาตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วเราก็จะบรรลุเป็นผ้าอารหันต์กันได้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสักลังเอวเมวอิโตทินังเปตาหนังอุปกักปติอิทิตังปัท um ิตังตุมหังเกปาเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถาเมริโชติ ราโสยถาสพิติโยวิวจชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัฒนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขัง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 เฟซบุ๊กสามรอยสิบเอ็ดคนครับย o ทู u สองร้อยเจ็ดคนครับวิทยุออนไลน์สิบเจ็ดคนครับผู้รับรงบนเขาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบหกครับรอาจารย์วันเสาร์อาทิตย์นักเรียนหยุดเรียนกันถ้าวันธรรมดาก็มากันมากหน่อยเจ็ดร้อยกว่าเสาร์อาทิตย์ก็หนีเรียนกันหรือพักเรียนกัน ไปทุรลาปะปังที่นั่นที่นี่ส่วนใหญ่จะเข้ามาทางเฟ e บุ๊กกับยูทูบอ่ะมีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากยูทู e ค่ะปฏิสัมพิทายานี้เป็นของโลกิยะหรือโลกุตระครับแล้วคนที่ได้พวกนี้ต้องทำยังไงแล้วสามารถรู้ถึงภูมิของพระอริยะเช่นพระโสดาบันได้ไหมครับ อันนี้เราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้เรียนตามงคมภี์ออเ็นต้องไปถามคำว่าปฏิอะไรนี่ยานนี่แปลว่าอะไรเราถึงจะได้รู้ก็มันจะไปจะไปสนใจที่ชื่อมันเลยขอให้สนใจที่ตัวมันดีกว่าตัวก็คือตัวบรรลุธรรมนี่แหละ ปฏิบัติไปละศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเนี่รับรองได้ว่าได้ของแท้ของจริงแน่มันจะชื่ออะไรก็ไม่เป็นปัญหาเลยคำถามจากคุณวิโรธคะ่ะเขาเป็นโรคร้ายไม่อยากให้เป็นพาระเลยให้หมอฉีดยาจะถือว่าฆ่าตัวตายไหมครับและหมอผิดศีลไหมครับบางประเทศอนุญาตให้ทำ ถือว่าเป็นการกระทำบาปเพราะว่ามีเจตนาต้องการทาลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตามทาเองก็ดีหรือสั่งให้ผู้อื่นทำให้ก็ดีก็ถือว่าบาปเท่ากันตอนนี้ยังไม่มีคำถามครับอาจารย์ใครมีคำถามก็เพิ่มเข้ามาได้น ะ, ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอไปสักพักหนึ่งก่อน มีคำถามจาก a c e b o o k คาถามจากคุณอินโกฟังพระอาจารย์เทศนาการปฏิบตัติควรเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนเจ้าคะขั้นตอนที่เราทำได้นั่นแหละขั้นตอนที่เรายังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทำมันเป็นเหมือนเรียนข้ามชั้นเราต้องเรียนชั้นที่เราทำได้ก่อนแล้วพอเราทำชั้นที่เราทำได้แล้วก็ก้าวไปทำที่ชั้นที่เรายังทำไม่ได้ต่อไปเช่นเรา ถ้ายังรักษาศีลไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาศีลไปทาคือหมายความว่าไม่ได้ไม่ทำเพียงแต่ว่าทำขั้นที่เราทำได้ง่ายก่อนรักษาขั้นที่เราทำได้นี่ให้อยู่ไปก่อนคือถ้าเราทาบุญทาทานได้เป็นปกติใส่บาตรได้ทุกวันอะไรอย่างนี้ก็พยายามทำไปถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ก็ต้องพยายามหัดทำไป คำถามจากคุณกนิตฐาค่ะอยากสงบที่ใจค่ะทําอย่างไรคะก็ต้องไปอยู่คนเดียวนะต้องไปปีกวิวเวกแล้วก็ต้องไปฝึกสติคอยควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมาได้มีคําถามหรือเปล่าโยมเเข้ามาหน่อยเข้ามาต้องมีไมโครโฟน อขอให้เป็นคำถามนะอย่าเป็นคำเล่านะบางทีมานั่งเล่าอะไรให้ฟังพูดใกล้ๆปากหน่อยนักวัสาการท่านอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะยมก็ศึกษาก็ก็รู้มากไม่รู้มากเนาะแต่มีอยู่คำหนึ่งที่อยากให้ท่านอธิบายให้ฟังคือว่าเพื่อนเพื่อนก็ชวนไปเอ้าเหนื่อยเพื่อมาถึงั <c oughs> <c oughs> ครัหนึ่งก่อนถ้านจะเึ้ามาถึงวันไหวสามนะเนี่ยลูกอยากจะรู้ความหมายของคําว่าปริวาจะค่ะปริวาเนี้เป็นเรื่องของพระพระนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดปริวาสกรรมเป็นการไปติดคุกของพระเวลาพระทําผิดพระผิดศีลของพระข้อหนักแต่ไม่ถึงกับขั้นศึกมันมีสองข้อหนัก ข้อหนักที่สุดก็คือปราชิกถ้าทำผิดแล้วต้องติดต้องถูกตัดสินระหารชีวิตคือให้ศึกไปส่วนรองลงมาเรียกว่าสังฆาดิเศษมี13ข้อ13ข้อนี้นี้ถ้าต้องถ้าทำผิดก็ต้องไปอยู่ปริวาสไปติดคุกแยกตนเองออกจากสงชั่วข่าวไม่บริสุทธิ์ไม่เหมาะที่จะอยู่กับพระที่บริสุทธิ์ให้ไปติดคุกใช้กรรม เจดวันพอพน้นจากการติดคุกเจ็ดวันแล้วก็กลับเข้ามาให้สงประกาศ ร, รับเข้ามาอยู่เป็นสงต่อไปคือไม่ได้ถ้าเป็นสมาชิกของแฟนขับก็ให้แขวนสมาชิกไว้เจ็ดวันไม่ให้เข้ามาส่งข้อความให้แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆพอพน้นเจ็ดวันแล้วก็ให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบได้ ความหมายคือที่ประเพณีการเข้าปริวาทที่ก็คือมีก็เคยไปหลายที่อทีนี้คนมันเข้าใจผิดกลับไปคิดว่าคนที่ติดคุกเป็นคนเป็นคนที่น่าจะต้อนรับเวลาที่ออกจากปริวาสเนี่ยเวลาที่พระออกจากปริวาสเขาก็เลยจัดงานสมโพธ์กันเนี่ยไปงานปริวาเนี่ยไปต้อนรับพระที่ติดคุกให้ออกมาจากคุกเ ก็ยมก็สงสัยว่าเอ๊ะที่ที่ชวนไปเข้าปริวาสนี้คือไปติดคุกกับพระนีอ๋อค่ะก็เลยว่าเอ๊ะคือคืออันนี้สองหรือว่าการปฏิบัติตรงนี้จะแบบว่าสื่อความหมายยังไงหรือว่าเราไปคือมีเพื่อนเพื่อนบอกว่าก็เหมือนไปติดคุกอ่ะไปดัดสันดาง <c oughs> ถ้าเราไม่อยู่ถ้าอยู่นอกคุกมันก็ทำอะไรได้ พอไปติดคุกก็เลยต้องถูกก็ดัดสันดานบังคับไม่ให้ทําอะไรให้อยู่เฉยๆก็คือเราไปนี่คือก็คือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะก็เป็นอุบายไปให้เราไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่อยู่ปริวาสก็ไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมกันคเมื่อคือนี้เพื่อนเพื่อนโทรมาชวนก็เลยแต่คำปริวาสจริงๆนี่มันเป็นหมายถึงให้พาไปออกจาก ออกจากสงไปอยู่ตามลำพังชั่วขราวค่ะอันนี้แต่ว่าสำหรับโยมนี้ก็ไปก็ก็เหมือนกับเราไปถือศีลปฏิบัติทั่วไปใช่ไหมปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนนะ <c oughs> ไม่รู้ใครโทรมาเอาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> คำถาม <c oughs> พอแล้วนะ <c oughs> อ่าช่วยปิดเสียงด้วยนะอย่ารบกวน คำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะพุทธพจน์ ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพระภิกษุให้ฉันอาหารมื้อเดียวแต่ทำไมทุกวันนี้ยังเห็นมีพระภิกษุโดยเฉพาะวัดบ้านยังฉันอาหารวัน ล, ละสองมือ้อคือฉันเช้ากับฉันเพนอยู่ครับอันนี้เป็นข้อข้อข้อพิเศษไม่ใช่เป็นข้อบังคับข้อเชิญชวนทาตามก็ได้ไม่ทาตามก็ได้ เรียกว่าถุดงควัดเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มข้นที่จะทําให้กิเลสตายเร็วขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราผสมน้ํายาฆ่าแมลงถ้าเราใส่น้อยมันก็ตายช้าถ้าใส่เยอะมันก็ตายเร็วอถ้าอยากจะให้กิเลสตายเร็วก็ต้องเอาธรรมะแบบเข้มข้นธรรมะเข้มข้นก็คือทุดงสิบสามข้อนี้คําถามฝากถามค่ะ ผมไปตักบาตรณวัดแห่งหนึ่งขณะที่ผมใส่บาตรจิตมันปรามาย์พระ ท, ทั้งทั้งที่ไม่ได้อยากคิดแบบนั้นแต่จิตมันคิดรู้สึกใจหดหูมากๆความรู้สึกหดหูเดือดร้อนใจเป็นมาหลายวันแล้วผมกราบขอขอมาหน้าพระพุทธรูปที่บ้านแต่ใจก็ยังไม่สบายจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับก็ให้รู้ว่า มันเป็นความคิดที่เรายังยับยั้งไม่ได้เราก็ต้องใช้สติฝึกสติคอยยับยั้งมันอย่าให้มันคิดเท่านั้นเองเช่นพอมันจะคิดปรมามาสใครก็พุทโธพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปอย่าหยุดจนกว่ามันจะหยุดปรามาสแล้วต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้จะไปกราบขอขามาหรือไม่ขอขามามันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหา ปัญหามันอยู่ที่เราควบคุมความคิดของเราไม่ได้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเรายัางควบคุมไม่ได้ก็เหมือนรถที่ยังเบรกรถไม่ได้เบรกเสียก็ต้องรีบไปติดเบรกไม่ใช่โมแต่ขับไปแล้วก็ชนวันนั้นชนวันนี้แล้วก็ไปขอขมาเขาอขอขมากี่ครั้งมันก็ยังชนอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีเบรกอังนั้นถ้าเรารู้ว่าใจเราไม่มีเบรกชอบคิดเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็ต้องไปติดเบรกอ ไปสร้างเบรขึ้นมาคือหัดบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต้องทำตอนก่อนที่ไปชนต้องซ้อมไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งเวถ้าเราไม่ต้องมีความคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มาพุทโธพุทโธพุทโธแทนแล้วต่อไปเวลาเกิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ดีเราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันได้คาถามจากคุณสุดทางราาักค่ะเรียนถามอาจารย์ว่า บวชกี่พรรษาถึงจะออกธุดงได้ครับอ๋อตามหลักพระเวนัยนี่อย่างน้อยต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาก่อนไปไหนไม่ได้นอกจากครูบาอาจารย์อนุญาตเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงไปด้วยแต่ถ้าอยากจะไปองค์เดียวนี้ต้องให้พ้นห้าพรรษาไปก่อนถึงจะสามารถไปไปปีกวิเวกได้แต่ก็ไม่แน่ ถึงแม้ถ้าได้ห้าพรรษาแล้วแต่ถ้าครูบาอาจารย์ยังเห็นว่ายังไม่พร้อมก็ยังจะไม่ให้ไปก็ได้แต่ตามหลังนี้อย่างน้อยต้องห้าแต่ถ้าห้าแล้วครูบาอาจารย์เห็นว่ายังไม่ควรไปก็อย่าพึ่งไปต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์เพราะเราเป็นเหมือนเด็กเด็กที่ยังอาจจะเดินเองไม่ได้ก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้ไปเพราะไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปไม่รอด กลัวไปแล้วเดี๋ยวจะถูกเสือกัดเสือปากแดงกัดเอาคำถามจากคุณเคป๊อค่ะเริ่มต้นด้วยสมถภาวนาคืออย่างไรเจ้าคะเก็ทำใจให้สงบไงยเรียกว่าสมถภาวนาก็ต้องฝึกสติก่อนอดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วเวลานั่งก็นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุโทโธไปจนกว่าใจจะสงบพอใจสงบก็เรียกว่าสามถะคําถามจากคุณปาริชาัดค่ะเวลาขับรถชอบดูลมหายใจทําให้รู้สึกเคลิมคล้มๆเหมือนจะหลับคุณจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าค่ะก็ดูรถแต่อย่าไปดูลมหายใจขับรถเอนก็ต้องดูรถดูถนนนะใจสติแบบไม่ถูกไม่ถูกวาระ ต้อให้ดูลมหายใจตอนที่ไม่ได้ทําอะไรตอนที่นั่งเฉยๆนั่งหลับตาอตอนนั้นน่ะให้ดูลมหายใจเข้าออกแต่เวลาทําอะไรต่างๆนี้ให้ดูงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังผัดก๋วยเตี๋ยวก็อยู่กับก๋วยเตี๋ยวอย่าไปดูลมเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไหมต้องทําอะไรต้องอยู่กับงานที่เราทําอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเนี่ยถึงจะต้องมาดูลมแทนคําถามฝากถามค่ะ หากเรารักษาศีนห้าแล้วยังดูด่าว่ากล่าวลูกกรณีที่เขาประพฤติตัวไม่ถูกต้องถือว่าผิดศินข้อสี่ไหมคะไม่เ ไ, ไม่ได้โกไม่ได้โกหกอะไรไม่ได้พูดคาหยาดูด่ า, าว่ากล่าวถ้าพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยวาจาที่สุภาพนี้มันก็ไม่เสียหายก็ต้องมีการสั่งสอนอ บ, มบรมเวลาผิดก็ต้องว่าผิดแต่ถ้าใช้พลุสว่านนี้ก็ผิดเนี่ย ด่ามันอีนู่นอีนี่เ อ, อว่ามันเป็นสัตว์สี่เท้าอย่างนู่นอย่างนี้เ อ, ออันนี้ไม่ต้องไปด่าเขาเสอนเขาการสอนก็เขาผิดอะไรก็บอกเขาทาอย่างนี้มันผิดโทษอะไรจะตามมาอธิบายสั่งสอนเขาไปเวลาจะสั่งสอนใครต้องดูว่าเราอารมณ์เราเป็นอย่างไรถ้าอารมณ์เราโกรธนี่อย่าไปสอนใครเวลาเราโลภเราโกรธนี่ สอนไม่ได้พูดไม่ได้มักจะเอาวาจาที่ไม่เหมาะสมมาใช้่งั้นจะสั่งสอนใครต้องสอนตอนที่ใจดอบสบายตอนที่เราโกรธเขาอย่าไปสอนเพราะเราจะใช้วาจาที่ไม่ถูกไม่ควรคำถามจาก Facebook ค่ะตอนนี้หนูฝึกนั่งสมาธิโดยอาศัยจับเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยตั้งเวลาเพิ่มขึ้นแบบนี้สามารถทาได้ไหมคะ ทำได้แต่เราอาจจะไม่ได้ผลถ้าเราไปจับแต่เวลาไม่จับใจเราต้องจับใจด้วยสตินั่งนี้ต้องดูสติเป็นหลักแต่เวลาก็ดูตอนที่ออกมาแล้วอย่าไปดูตอนที่นั่งเหมือะนด้นจะคอยเปิดตาดูนาฬิกาอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะมันจะออกมาเรื่อยๆมันจะออกมาหานาฬิกาเรื่อย งั้นการตั้งนาฬิกานี้เพื่อใช้รู้เวลาเท่านั้นเองแต่อย่าไปเป็นตัวที่มาให้ใจต้องไปคอยอผูกติดอยู่เวลานั่งสมาธิให้ลืมทุกอย่างแม้แต่นาฬิกาที่เราตั้งไว้ให้เรามีสติอยู่กับพุทโธรูร้ อ, อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะนานหรือไม่นานออกมาแล้วค่อยดูเอาว่าอ๋อวันนี้นั่งได้กี่นาทีก็ว่าไปอคําถามจาก คุณน้อยซาร่าการสวดมนต์บางทีสวดไปแต่จิตลอยลอยใจกับปากก็สวดไปได้มันมีอา น, นิสงส์ไหมเจ้าคะไม่มีหล้วการสวดเพื่อให้ใจไม่ลอยนั่นเองให้ใจตั้งมั่นอยู่กับการสวดอย่างเดียวถ้าลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็แสดงว่าไม่ได้ผลอะไรหมดแล้วอย่าค่ะคำถามจากคุณฮอลลี่แจน คุรจะใช้ธรรมาข้อใดในการยึดเหนี่ยวและดึงสติตนสําหรับคนที่กำลังจะตกงานเจ้าคะและทำข้อใดที่จะตัดความอยากต่างๆได้อย่างเด็ดเดียวเจ้าคะก็ถ้าใจคิดเศร้าหมองก็หยุดความคิดเศร้าหมองก่อนด้วยพุโทโธพุโทโธไปพอใจหายเศร้าหมองแล้วก็สอนใจว่าทำในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีมีเกิดมีดับมีได้มีเสีย เช่นงานการนี้ก็เหมือนกันมันของไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้งานก็ตกงานได้ตกงานได้ก็จะได้งานใหม่ได้เหมือนกันให้มันคิดอย่างนี้มันจะได้ไม่เศร้ายอมรับกับวะละของมันตอนนี้เหมือนผ้าทิตย์ตกจะไปให้มันขึ้นได้ยังไงก็รอไปสักพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ตกมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมต้องมันต้องให้มันตกก่อนมันถึงจะขึ้น มันต้องตกงานก่อนมันถึงจะได้งานถ้ามันได้งานแล้วมันก็จะต้องตกงานก็มีแค่นี้คำถามจากคุณคอนค่ะเพื่อนแต่งงานสองครั้งและสามีก็เสียชีวิตทั้งสองคนปัจจุบันเพื่อนมักจะหมกมุ่นว่าตนเองเป็นสาเหตุเพื่อนปลอบหลายวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ผลขอเมตตาอุบายที่จะไปช่วยแนะนำเขาครับถ้าเราเป็นสายจริงก็แต่งใหม่ใช่ไหมว่า <c oughs> ดูว่ามันจะตายหรือเปล่า <c oughs> คิดไปเองแล้วก็ไปเชื่อเองต้องพิสูจน์มันไปแต่ถ้าสามคนยังตายอยู่ลองคนที่เสียคําคำถามจากคุณแบงค์ค่ะ ผมมีใจกับน้องคนหนึ่งแต่น้องคนนั้นเขามีคนคุยด้วยคนคุยด้วยแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันถ้าผมจะเข้าไปยุ่งนี่ผิดศีลไหมครับไปยุ่งกับแฟนคนอื่นเข้าเลยใช่ไหมกับน้องคนนึงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกับอ่าน้องยังไม่มีแฟนค่ะน้องก็ไม่มีแฟนน้องเขาโสดแล้วเราอยากจะไปเป็นน้องคนนั้นมีผู้ชายมาคุยด้วยค่ะแล้วทําไมเราจะเราจะไป ใช่อย่างนี้เลยค่ะถ้าผมจะเข้าไปยุ่งนี่จะผิดศีลไหมครับก็ ย, <ม> ย, ยังไม่เป็นแฟนใครก็ไม่ผิดนะแตมันก็อาจจะเกิดศึกสามเศร้ากันไปหาคนที่ไม่มีใครจีบดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอถ้าไปจีบกับคนที่มีคนจีบหลายคนแล้วเดี๋ยวก็อาจจะผิดหวังก็ได้เขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้คําถามจากคุณอินโกล ถ้าดิฉันถามถึงสาเหตุที่ทําให้เพื่อนไม่พอใจเพื่อจะแก้ไขแต่เพื่อนบอกว่าอย่าคิดเล็กคิดน้อยดิฉันควรปล่อยทุกเรื่องไปใหม่เจ้าคะก็ปล่อยได้ก็ดีเราอย่าไปคิดเรื่องเล็กน้อยตามที่เขาพูดเขาไม่พอใจก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปถ้าเขาไม่บอกว่าเราทําอะไรให้เขาไม่พอใจก็ไม่ต้องไปถามเขาก็ได้ ขอให้เราทำใจให้สบายให้ได้ก็แล้วกันอันหาเกิดใจเราไม่สบายเวลาเห็นเขาไม่สบายใจเราอยากจะให้เขาสบายใจเลยทำให้เราไม่สบายใจไปด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้ใครไม่สบายใจเขาไม่สบายใจเพราะการกระทาของเราโดยที่เราไม่มีเจตนาก็ช่วยไม่ได้ถ้าอยากจะให้เราถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาบอกเราว่าเราทำอะไรให้เขาไม่สบายใจ เราก็ถ้าเราเลิกทําได้ก็ทําไปเพื่อเขาถ้าเราเลิกทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราทําของเราอยู่เป็นปกติแต่ถ้าเขาไม่สบายใจมันก็ช่วยไม่ได้คําถามจากคุณพิมพ์ชนกค่ะถ้าเราตั้งใจจะเริ่มปฏิบัติถือศีลแปที่บ้านในวันพระหนึ่งวันเมื่อตื่นเช้ามาก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะบนไป จนเมื่อถึงเวลานอนอยากจะเรียนถามว่าคืนนั้นเราต้องนอนพื้นแข็งๆที่ห้องด้วยถูกต้องไหมเจ้าคะจึงจะถือได้ว่าเราได้ถือศีลแปดครบเต็มหนึ่งวันเจ้าคะ่ะเ อ, อต้องนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนเตียงสบายเบาะนุ่มมันจะนอนมากเกินไปเพราะจะต้องตื่นขึ้นมาปฏิบัติต่ตอพศีลแปด น, นี้ถ้าจะให้ครบหนึ่งวันต้องรอให้สว่างก่อนทางพุทธเรานี่เราไม่ได้นับตอนเที่ยงคืน เป็นวันใหม่ถ้าเป็นหลังเที่ยงขึ้นเป็นวันใหม่ก็ดีพระจะได้มาม่าได้พอสงยามไปแล้วกันนี้ก็มามาได้ทางทางาศาสนาพูดเรานับวันใหม่ตอนที่แสงแสงสว่างปรากฏขึ้นมาเรียกว่าตอนรุ่งอรุณเนี่ยงั้นถ้ายังไม่ได้รุ่งอรุณนี่เรายัางต้องรักษาศีลแตะต่อไปแลเราก็ต้องปฏิบัติธรรมไปจนกว่าจะสว่าง คำถามจากคุณเจสดาคารว่าสามารถสอนชาวบ้านให้เข้าใจทำในการละตัวตนและบรรลุธรรมได้ไหมครับถ้าตัวเองยังละไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสอนใครถ้าตัวเองละได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นแม่ปูสอนลูกปู่ใครเห็นแม่ปูสอนลูกปูมไหมเดินให้ตรงหนะ้าลูกนะอย่าเฉยไปเฉยมานะแล้วแม่ก็เดินเฉไปเฉมาลูกมันก็เดินตามแม่นะ งั้นมันไม่้ช่คำสอนที่จะสอนคนได้จริงๆมันอยู่ที่การกระทาของเราที่จะเป็นตัวสอนถ้าเรากินเหล้าแล้วบอกลูกลูกอยากกินเหล้านะแล้วกินเหล้าไม่ดีนะแล้วพ่อก็ไปเปิดเหล้ากินนี้ลูกมันจะเชื่อเราไหมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวถึงเวลาลูกมันก็กินเหล้าถ้ามันอยากจะกินเหล้าก็เลยคำถามจาก u t ท b e ค่ะเรียน พระอาจารย์ขอหลักการทำสติต่อด้วยหลักการนั่งสมาธิเพื่อจะได้นํามาปฏิบัติให้ถูกวิธีเจ้าค่ะก็ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้ท่องพุทโธทไปเลยท่องพุทโธไปอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ต้องคิดเจนตอนที่เตรียมตัวอาบนา้าแต่งแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้พุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธอย่างนี้ได้อย่างต่อเ น, นื่องพอเราว่างจากการกระทำอะไรเราก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวใจก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้คุณวไยพอนะคะกราบเรียนถามแทนเพื่อนผมติดต่อกับเพื่อนสมัยนักเรียนที่เป็นผู้หญิงมีครอบครัว แ, แล้ว เธอแต่งงานอยู่ต่างประเทศผมมีโอกาสไปเที่ยวสามปีติดต่อกันเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็มาดูแลทานข้าวด้วยโทรคุยกันนานเป็นชั่วโมงแบบนี้จะผิดศีลข้อสาไหมครับตัวผมไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่เห็นใจว่าคงเหงาที่อยู่ต่างประเทศและอยากมาดูแลผมควรทําอย่างไรดีครับส่วนเพื่อนผู้หญิงคิดอย่างไรผมไม่ทราบครับเขามีครอบครัวหรือเปล่ามีครอบครัวค่ะออแล้วเรามีครอบครัวหรือเปล่า ไม่ได้บอกคอ่ะพเจ้าก็ไม่ควรที่จะไปทําอะไรคุยกันแบบชู้สาวคุยกันสองต่อสองนานๆ น, นี่มันก็มันก็มักจะเป็นเรื่องชู้สาวระหว่างหญิงกับชายงั้นถ้าจะคุยต้องคุยธุรกิจเรื่องมีธุระอะไรก็พูดไปเป็นเรื่องๆไปพอไม่มีเรื่องธุรกิจแล้วก็อย่าไปพูด เพราะมันนี่เป็นเข้าเชิงเรื่องของการพูดเรื่องชูสาวกันมากกว่าพูดปรับทุกพูดอะไรนี่ก็แบบเดียวกัน<ม>เราไม่ใช่เป็นศิลานีเอะงั<ม> <laughs> ้นก็ให้ระมัดระวังไว้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดสามีเขาทราบเขาสามีเขาก็อาจจะไม่สบายใจขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ายัางไม่ได้ถึงขั้นผิดศีลแต่มันก็สอ่อส่อแนวที่จะก้าวไปสู่ขั้นนั้นได้ต่อไป ถ้าทางที่ดีก็อย่าอย่าพูดคุยกันให้มันนานแล้วโดยเฉพาะสองต่อสองนี่หญิงชายเพื่อป้องกันคำคอลหาและเพื่อป้องกันการที่จะพูดเรื่องชู้สาวก็ควรจะมีคู่นั่งฟังด้วยคำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงิน หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิจักคียะปาจิตีแต่พระยังรับเงินอยู่โยมควรจะบอกพระหรือไม่บอกดีครับอ๋อโยมไม่ต้องไปบอกพระหรอกพระเขาเรียนเขารู้ที่โยมฟังแล้วโยมไม่เข้าใจเพราะว่ามีคำว่าไม่ให้ยินดีพระท่านก็ไม่ยินดีท่านพระพุทธเจาไม่ให้ท่านยินดีไปถือว่าเป็นของของพระ เป็นเถอะว่าเป็นของโยมฝากไว้เวลาต้องการใช้อะไรก็เรียกมาใช้ได้งั้นเราจะไปดูเลยว่าท่านยินดีหรือไม่ยินดีท่านก็ต้องบอกว่าท่านไม่ยินดีเท่านั้นแหะมีใครบอกว่ายินดีถ้าบอกว่ายินดีมันก็ผิดแล้วสิงั้นก็ต้องไม่ยินดีเท่านั้นถึงแม้จะยินดีแล้วไม่ยินดีก็ตามมันก็ต้องบอกว่าไม่ยินดีคือไม่ถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นของโยมฝากธนาคารไว้อย่างงี้ ถ้าเราต้องการก็ไปเบิกที่ธนาคารได้หรือเบอิกกับคนที่เขาฝากไว้ให้อันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ให้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องว่าเป็นของของพระเพราะไม่ใช่เป็นของพระเจนฝากเงินไว้กับโยมแล้วโยมบอกเสียใจเอาไปเที่ยวหมดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรไม่ได้อ่ะเที่ยวแล้วก็แล้วไปเขาต่อไปเวลาโยมจะฝากเงินคนนี้ก็บอกอย่าฝากเนะี่คนนี้ฝากไม่ได้ ฝากแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้เวลาต้องการใช้ไม่ได้ใช้ถ้าโยมอยากให้ใช้โยมก็ต้องถามว่าเนี้ยฝากคนไหนดีพระก็บอกลองคนนี้ใหม่ดูสิคำถามจากเจ๊ใหญ่ค่ะดิฉันเก็บพระเหรียญและเหรียญสมัยเก่าสมัยใหม่เก็บมาได้แต่บูชาดีไหมคะก็แล้วแต่เราเราอยากจะบูชาก็บูชาไม่บูชาก็ไม่บูชา การบูชาแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นการบูชาการบูชาที่พระเจ้าต้องการให้เราบูชาคือปฏิบัติบูบบบชาปฏิบัติทานศีลภาวนาเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหมดแล้วเลยโอเคก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเ พ, พณิตเพจนาไปปฏิบัติ